พอมาเยืนลมเย็นเย็นมันเตือนว่าใจฉันยิ่งคิดถึงคนที่ทำให้ฉันไม่หนาใจจากวันที่รำลาไม่ได้พบเจอเธอไปอยู่ไหนกำลังทำอะไรไม่รู้เลยไม่มีข่าวครา ได้พบได้เจอในวันนี้ไม่ค่อยเจอมีเรื่องดีดีให้เห็นสักเท่าไรลมหนาวที่พัดมาขอให้พัดพาเรื่องที่เลวร้ายให้เธออย่าได้เจ็บและช้ำใจให้เธอโชคดี เป็นตายร้ายดียังมีเธอคนเดียวอยู่ในหัวใจใบว่าเธอ เป็นห่วงเธออยากรู้เธอเป็นไงหมดทั้งหัวใจเป็นห่วงเธอกำลังทำอะไรไม่รู้เลยไม่มีข่าวครับ เป็นตายรายดียังไม่เธอคนเดียวอยู่ในหัวใจไม่ว่าเธอเจออะไรในวันนี้อยากให้รับรู้แล้วกันให้รับรู้ว่าใจที่ฉันมีอ h อคิดถึงเธอให้รับรู้อะไรว่าฉัน